เทเลปั น, นท่านสาธุชนพุทธบริาัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทท่ทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23ิมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบเป็นวันพระเป็นวันธรมรมสวรรเป็นวันฝ่ายธรรม เป็นวันมาสร้างบุญบารมีเพื่อให้ผลที่ดีที่เลิศให้ปรากฏตามมาต่อไปคนเรามีความแตกต่างกันก็ที่บารมีนี้คนเราจะร่ำจะรวยจะสุขจะเจริญจะมีรูปร่างหน้าตาพิวพร สวยงามผา่องใสจะมีสติปัญญาแหลคมคมจะมีอากาศครบสามสสองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานเป็นผลที่เกิดจากการได้สร้างบารมีมาในแต่ละภพแต่ละชาติพวลเราพวกเราเกิดมา จึงมีความแตกต่างกันเนื่องจากเราได้สะสมบุญบรารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองเหมือนกับการตักน้ําใส่ถุงถ้าคนตักน้ําใส่ถุงน้อยก็จะมีน้ําใช้น้อยถ้าคนตักน้ําใส่ถุง ม, มากก็จะมีน้ําใช้มากฉันใดบุญบรารมีนี้ก็เป็นเช่นนั้นทางที่เรา จะสุกจาจเจริญจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเราดังนั้นเราควรที่จะให้ความสาคัญต่อการสร้างต่อกาสรสะสมบุญบารมีเพื่ออนาคตและปัจจุบันที่จะดีขึ้นมาตามลำดับต่อไปบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเรา สร้างกันสะสมกันก็คือข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีก่อนที่เราจะบําเพ็ญบารมีอื่นๆได้เราต้องบัำเพ็ญเมตตาบารมีให้ได้ก่อนคำว่าเมตตาก็คือให้เรามีความคิดดีพูดดีทดําดีต่อผู้อื่นมีความปรารถนาดี มีความหวังดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเรามีเมตตาแล้วเราก็จะสามารถบงเพ็ญบา ร, รมีข้ออื่นๆตามมาได้ดังนั้นเราต้องแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆการแผ่เมตตานี้ก็มีสองลักษณะด้วยกัน แผ่ในขณะที่เราอยู่ตามลำพังเช่นเวลาที่เราสวดมนไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาแบบนี้เป็นการทำการบ้างคือเป็นการซักซ้อมไว้ก่อนการแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์เช่นในขณะที่เรา พบคนนั้นพบคนนี้เราถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาถ้าเราพบคนนั้นพบคนนี้แล้วเรายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายส่งความปรารถนาดีให้กับเขามีขนมมีของที่พอจะแบ่งปันแจกกันได้ก็แบ่งให้แตกกันและกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่และมีอย่างแท้จริงต้องมีเหตุการณ์ต้องอยู่ ต้องมีพบปากกับผู้คนหรือในเหตุการณ์เช่นเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธหรือไม่พอใจเราก็ต้องแผ่เมตตาก็คือเราต้องให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคือผู้ที่ทำให้เราโกรธหรือทำให้เราไม่พอใจให้เราคิดว่าเป็นการผิดพลาด เป็นธรรมดาอยู่ด้วยกัน<ม>ก็ย่อมมีการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจไม่พอใจขึ้นมาได้แต่การที่เราไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทนี้กลับทำให้เราต้องโกรธต้องทุกเพิ่มมากขึ้นเพราะความอาฆาตความโกรธความเกลียดนี้เป็นเหมือนไฟ ที่จะทำให้ใจของเราทุกข์กวนกวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราแผ่เมตตาให้อภัยได้ไม่ถือโทษก่อนเครื่อใจของเราก็จะสงบเป็นปกติแล้วเราจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่เราเสียใจต่อไปเช่นไปด่าไปทะเลาะกันไปทุบตีกัน หรือบางครั้งอาจจะถึงต้องข่ากันก็จะต้องทําให้เราต้องไปรับใช้โทษใช้กรรมต่อไปดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะเจริญบา ร, รมีต่างๆปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเตนเจริญรุง่งเรืองก้าวหน้าก็จะเป็นจะต้องแผ่เมตตาเจริญเมตตาบา ร, รมีไว้เราต้องพยายามซ้อมไว้ก่อน ถ้าเราไม่ซ้อมถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราจะทำไม่ได้ดังนั้นเราต้องสมมติว่าถ้ามีใครเข้ามาทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธเราให้อาภัยเขาได้หรือเปล่าเราต้องให้ได้เพราะว่านี่คือการสร้างบารมีเพราะการให้อาภัยได้แนละ้วจะเป็นประโยชน์กับเราและจะไม่เกิดโทษกับผู้ แต่ถ้าเราให้อภัยไม่ได้ก็จะเกิดโทษกับเราและเป็นอันตรายต่อผู้นี่คือการจเจริญบา ร, รมีข้อที่หนึ่ขอให้เราพยายามระลึกถึงการแผ่บา ร, รมีเรื่อยๆเช่นให้ท่องว่าสัเพศตาอเวราวนตุสัตว์ทั้งหลายขอให้อย่ามีเวรอย่ามีกรรมกัน อภัยาปชาโหมตุขอให้อย่าได้เบียดเบียนกันอนิคาโหงตุขอให้มีความสุขขอให้ไม่มีความทุกข์กันสุขี่อัตานำปาริหามันตุขอให้มีความสุขกันนี่คือการแผ่บารมีเวลาที่เกิดความโกรธเกลียดเราจะได้ หยุดมันได้เพราะเราไม่ต้องการที่จะให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นเราไม่ต้องการเบียดเบียนผู้อื่นเราไม่ต้องการจองเวรจองกรรมผู้อื่นเราต้องการให้อภัยเราต้องการให้ผู้อื่นเขามีความสุขถ้าการกระทําของเขาทําให้เขามีความสุขก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปเหมือนเวลาเราทําบุญใส่บาตร เราก็ต้องการให้พระมีความสุขจากข้าวของที่เราใส่บาตรไปฉันใดคนที่เขามีความสุขจากการกระทันที่ทำให้เราไม่พอใจเราก็ปล่อยให้เขาทำไปเราเพียงแต่อย่างไม่พอใจเท่านั้นเองถ้าเราทำใจได้เราก็จะเฉยๆได้ไม่เดือดร้อน ปัญหาของเราคือเรายังมีความอยากอยู่เรายังอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อยู่พอเขาไม่ทำอย่างที่เราอยากให้เขาทำเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกระทำของเขาปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่ไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เช่นอยากให้เขาพูดดีไม่อยากให้เขา ดูดา่าไม่อยากให้เขานิ่กลละหานิ่งทาดูถูกดูแคลงถ้าเรามีความอยากแบบนี้เวลาที่เขาดูถูกดูแคลนดูดา่าตำหนิตีเตียงเราก็จะไม่พอใจแต่ถ้าเราเฉยๆ เ, เราต้องเราปล่อยวางเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาอยากจะชมก็เป็นเรื่องของเขา เขาอยากจะด่าก็เป็นเรื่องของเขาเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะเฉยๆได้เวลาเขาด่าเราก็เฉยเวลาเขาชมเราก็เฉยเราก็จะแผ่เมตตาได้เราจะไม่โกรธแค้นกรธเคืองเราจะให้อภัยเขาได้นี่คือการแผ่เมตตาพอเรามีเมตตาแล้วทีนี้เราก็จะ สร้างทานบารมีได้เพราะเรามีความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นถ้าเรามีอะไรมากเกินไปที่เราไม่จําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็จะเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้เอาไปสมคบผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนได้เราก็จะสร้างทานบารมีขึ้นมาได้การมีทานบารมีนี้จะทำให้ เราไม่อดอยากขาดแคลนไม่ต้องไปเกิดในที่อัตค่ากัดสนไม่ต้องไปเป็นขอทานเพราะทานบาลมีนี้จะมาดูแลเราเราจะไม่อดอยากขาดแคลนจะมีเหลือกินเหลือใช้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นดังนั้นก็ขอให้เราหมั่นสร้างทานบาลมีกันอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทาวันนี้ เป็นการสร้างทานบารมีทำบุญตังบาตถวายสังฆทานเป็นเหมือนกับเอาเอาทรัพย์เอาไปฝากไว้ในธนาคารเวลาที่เราต้องการใช้ทรัพย์เราก็ไปเบิอกออกมาได้ทานบารมีนี้ก็เป็นเหมือนธนาคารของเราเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทานบารมีนี้จะมาช่วยเรานี่คือ เรื่องของทานบารมีบารมีข้อที่สาที่เราควรจะสร้างกันก็คือศีลบารมีถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะรักษาศีลได้เพราะเราจะไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่อยากให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทําของเรา <c oughs> เวลาเราทําอะไรเราก็จะระมัดระวังเราจะคอย พิจพารณาอยู่เสมอว่าทําไปแล้วทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนก็ไม่ทํารักทรัพย์ผู้อื好好่นเดือดร้อนหรือเปล่าเดือดร้อนก็ไม่ทําประพฤติผิดตัวเวีนี้ผู้อื่นก็เดือดร้อนหรือเปล่าเดือดร้อนก็ไม่ทําโกหกหลอกลวงทําให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนหรือเปล่า ถ้าเดิอดร้อนก็ไม่ทำดื่มสุรายาเราก็เช่นเดียวกันดื่มแล้วไปอาละวาดไปทำร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะไม่มีสติควบคุมความคิดการพูดและการกระทาของตนได้ก็อย่าไปดื่มสุราก็จะไม่ดื่มสุรานี่คือใจของผู้มีความเมตตาถ้ามีความเมตตาแล้วจะสร้าง ทานบาลมีก็ง่ายสิงบาลามีก็ง่ายเมื่อเราได้สร้างทานบารมีสร้างศิงบาลมีเราก็จะเห็นคุณค่าของการที่เราอยู่อย่างมีความสงบจะเห็นว่าความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงทําทานแล้วใจก็จะสงบจากความโลภจากความตนีจากความหัวรักษาศิงก็จะสงบจากท่า ความหวาดกลัววิตกกับวิบากรรมที่จะเกิดขึ้นที่เกิดจากการทำบาปของตนก็จะทำให้เราอยากจะทำใจให้มีความสงบเพิ่มมากขึ้นเราก็จะสามารถสร้างเนคขม้งบารมีได้เนคขม้าบารมีแปลว่าการออกจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะไม่สวงหาความสุขทางตาหูจมูกปิ้นกายเพราะเป็นความสุขปลอมความสุขที่ทำให้ใจวุ่นวายทาให้ใจขิว่ใจอยากไม่ได้ทำให้ใจอิ่มใจพอเช่นวันนี้เราได้ไปเที่ยวเราก็เกิดความสุขแต่พอเรากลับมาบ้านเราก็อยากจะออกไปเที่ยวใหม่เราก็จะอยู่ไม่ติดบ้านเราก็ต้องออกไปเรื่อย เวลาไปเที่ยวก็ต้องเสียเงินเสียทองเราก็ต้องดิน้นลนหาเงินหาทองเพื่อเอามาใช้กับการเที่ยวเตยแต่ถ้าเรารักษาศีลแปลดได้จเจริญเนื้อธรรมะบารมีได้ไม่หาความสุขทางตาหูจนูกมิ้นกายได้เราก็อยู่บ้านเฉยๆได้อยู่บ้านไหวพระสดนนั่งซ้ำสมาธิทำใจให้สงบได้ พอเรามีใน่คัมมาบารมีแล้วเราก็จะสามารถสร้างอุเบกขาบารมีขึ้นมาได้อุเบกขาบารมีก็คือการทำใจให้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่หลไม่อยากกับสิ่งต่างๆเช่นไม่อยากเที่ยวไม่อยากดูหนังฟังเพลงไม่อยากหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทาน จากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ า, อ, าอ่อนสวยๆงามๆด้วยการใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆาความสุขเหล่านี้เป็นความสุขประเดียวกดาวเป็นความสุขที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าไม่เติมแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต่างกับความสุข ที่จะได้รับจากการทําใจให้เป็นอุเบกขาคือเกิดจากการทําใจให้สงบเป็นสมาธินั่นเองถ้าเราไม่ต้องเสียเวลากับการหาความสุขจากทางร่างกายจากการดูการฟังจากการเที่ยวเราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมาสวมดมนต์มาทําใจให้สงบ พอเรามีความสงบแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมากจะรู้ว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เลยก็จะทำให้เราอยากจะรักษาความสงบนี้ให้อยู่กับเราไป น, นานๆแต่เวลาเราออกจากสมาธิมาพอเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็จะเกิดความอยากขึ้นมา เกิดความอยากความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปเพราะถูกความอยากเข้ามาทําลายความอิ่มที่เกิดจากสมาธิหายไปเพราะเกิดจากความอยากที่ทําให้เกิดความหิวขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาความสุขความสงบต่อไปเราก็ต้องเจริญปัญญาบารามีเราต้องเอาคำมกักคาสอนของพระพุทธเจ้า มาสอนเราให้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากไม่ว่าจะอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานมันจะเป็นความสุขเดี๋ยววแล้วก็จะทำให้เราหิวต่อไปอีกจะทำให้เราอยากต่อไปอีกจะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากดื่มอะไรเราก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆ ยอยากจะดื่มกาแฟพอได้ดื่มแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มม่อีกก็ต้องดื่มไปจนวันตายตายไปก็อยากจะไปดื่มต่อก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายมาใหม่เพื่อจะได้มาดื่มกาแฟต่อไปอีกนี่คือการสร้างภพสร้างชางสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเกิดจากความอยากนี้ถ้าเราต้องการ ที่จะให้ใจเรามีความอิ่มความพอมีความสุขเราก็ต้องหยุดความอยากอย่าทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากก็จะหายไปคั้งแรกก็จะเบาลงเช่นเราอยากจะดื่มกาแฟวันนี้เราบอกว่าไม่ดื่มเริกนึ่มพอพวกนี้ความอยากดื่มก็จะอ่อนกำลังลงไปพอเราไม่ดื่มอีง ก็จะอ่อนกำลังลงไปอีกไม่นานเพียงสี่ห้าวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์การอยากจะดื่มกาแฟนี่ก็จะหายไปเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องมีกาแฟมาดื่มไม่ต้องไปหากาแฟไม่ต้องต้มน้ำร้อนไม่ต้องไปหาน้ำตาลหานมมาดื่มแล้วก็ต้องาลา้างแก้วล้างถ้วยเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาดื่มใหม่ จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดพอเราหยุดดื่งได้แล้วเราก็ไม่มีความหิวความอยากกับเรื่องการดื่มกาแฟาอีกต่อไปถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆที่เราอยากทำได้อยากดูอยากทงได้ต่อไปเราจะอยู่เฉยๆได้อย่างไม่มีความทุกข์เลยตอนนี้พวกเราอยู่เฉยๆกันไม่ได้ ไห้นั่งเฉยๆสักสินาะทีนี้ก็หมุนอีกลำคาญใจแล้วต้องหาอะไรมาดูหาอะไรมาฟังหาอะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทานพอได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานแล้วก็อยากจะออกไปข้างนอกแนละ้วเบื่อแนละ้วอยู่ข้างอยู่ข้างในบ้างพอแนละ้วต้องออกไปข้างนอกบ้าง น, นี่คือปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่รู้โทษของความอยากของเรา เราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่มาทำลายความสุขภายในใจตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้เราสอนความจริงอันนี้พวกเราก็จะติดอยู่กับความอยากไปไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่เราได้ติดมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนา น, านการที่เรากลับมาเกิดกันนี้ก็เพราะความอยากพามาให้เรามาเกิดกันเอง เรายังอยากดูอยากฟังอยู่ยังอยากดืนยังอยากรับประทานของพวกนี้ไม่ต้องมีใครสอนเลยพอถึงเวลาเราทำกันเลยทำด้วยความาด้วยความยินดีแต่เรื่องการหยุดความอยากนี้ต้องถูกบังคับถึงจะหยุดเช่นเวลาเราอยากจะทำอะไรไม่ดี <c oughs> ก็ต้องถูกผู้ใหญ่บังคับ <c oughs> ถึงจะหยุดได้แต่เวลาหยุดก็ มีอาคารอุดหอิดฉาคำคาญใจมีความโกรธความเกลียดต่อผู้ที่มาบังคับให้เราหยุดกระทำสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะเราได้ถูกเราได้ปลูกฝังความอยากไว้ในใจของเรามาอย่างลึกมากจนเป็นสันดานของเราไปไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มีความอยากความอยากที่พวกเรามีกันโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนนี้ก็มีอยู่สามประการ คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายแล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากร่มอยากรวยอยากมีความสุขอยากได้อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตนี่คือความอยากที่ฝังมาในใจแล้วความอยากชนิดที่สก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพาจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารังเวเาเกิดเหตุการณ์ที่มันทาให้เราไม่สามารถทำตามความอยากเราได้เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาเราแก่เราก็ทุกข์ใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์ใจเวลาเราจะตายก็ทุกข์ใจ เวลาจะต้องพัดผ้าจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักเราก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเราได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ปัญญาบรารมีว่าอย่าทําตามความอยากเพราะทําตามความอยากแล้วจะทําให้เราทุกข์ใจถ้าเราเฉยๆได้ไม่ทําตามความอยากเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะไม่เดือดร้อน เราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายต่างร่างกายเพียงแต่ใจหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจเป็นตัวเราก็เลยอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่พอเรารู้ความจริงแล้วเราก็เฉยๆเสียอยากไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากนี่แล้ว จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ทุกข์กับการพัาดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เราลักไปนี่คือปัญญาที่เราจะได้รับจากการได้เข้ามาหาพระพุทธศาสนาจากการได้ยินได้ฟังพอเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องเอาไปสอนใจเอาไปเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปนี้เราต้องต่อสู้กับคาอยางทุกรูปแบบ ต่อสู้กันด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบมากๆถ้านั่งสมาธิแล้วใจจะมีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากพอนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วต่อไปจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราต่อไป เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลือแล้วเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดติต่อไปเราก็จะอยู่ในพระนิพพานอยู่ในที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้อยู่กันเพราะท่านได้หยุดความอยากภายในใจของท่านหมดแล้วถ้าเราหยุดความอยากภายในใจของเราได้หมแล้วใจของเราก็จะเป็นนิพพานเหมือนของพระพุทธเจ้า ใจของเราไม่ได้สูญหายไปไหนใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เพียงแต่อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่มีความอยากอยู่อย่างไม่ต้องมีร่างกายมาแก่มาเจ็บมาตายมาให้ความทุกข์กับเรานี่คือผลของการที่เราสะสมบุญบา ร, รมีต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัส่งสมมาแต่การที่เราจะ สร้างธาสร้างเมตตาบ า, ามีทานบ า, ามีศีลบ า, ามีเนคขั ม, มบ า, ามีโอเบคาบ า, ามีและปัญญาบ า, ามีขึ้นมาได้เราก็ต้องสร้างอธิฐานบ า, ามีขึ้นมาก่อนเพราะถ้าไม่มีอธิฐานเราก็จะไม่สามารถสร้างบ า, ามีต่างๆได้อธิฐานแปลว่าอะไรแปลว่าความตั้งใจ เราต้องตั้งใจต้องตั้งเป้าหมายของเราก่อนต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตเราว่าต่อไปนี้เราจะสร้างแต่บารมีเราจะสร้างแต่เมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีถ้าเราไม่ตั้งใจไว้ก่อนเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปสร้างบารมีที่ไม่ใช่เป็นบารมี คือไปสร้างรับรากยศสรรเสริญไปสร้างความสุขทางตาหูจมูกปิ้งกายก็จะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างนั้นเราต้องสร้างอธิษฐานบา ร, รมีขึ้นมาคาว่าอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจไม่ได้แปลว่าขอคำว่าขอนี่เป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งแต่ความหมายที่แท้จริงในของพระพุทธศาสนา คาว่าอธิษฐานก็คือให้เราตั้งจิตตั้งเป้าว่าเราจะทาในสิ่งที่ดีที่จะเกิดผลดีกับชีวิตของเราสิ่งที่จะทําให้เกิดผลดีก็คือการสร้างบารมีต่างๆนี้อพอเราตั้งอธิษฐานบารมีแล้วเราก็ต้องตั้งสัจจะบารมีคือเราต้องไม่ไม่โกหกตัวเราเองไม่ตั้งแล้วไม่ทาถ้าเราตั้งใจว่าจะสร้างบารมี แต่พอถึงเวลามาพอจะถึงเวลาจะสร้างบา ร, รมีเราก็ไม่ทำเช่นถึงเวลาจะแผ่เมตตาเราก็ไม่แผ่ถึงเวลาจะทําทานเราก็ไม่ทําทานอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสัจจะเราโอกหกตัวเองหลอกตัวเองเราจึงต้องสร้างสร้างสัจจะบา ร, รมีขึ้นมาก็คือเราต้องมีความแน่วหน้ า, นาจริงใจต่อการตั้งใจของเรา ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราต้องทำตามที่เราตั้งใจไว้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างไรก็ตามยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเท่านั้นถ้ายังทำได้จะต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานตอนที่นั่งประทับอยู่ใต้ต้นโพธิทรงตรัสว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเปน็นนนค่ะ จะยอมตายถ้าไม่ตัดสรัรูจะยอมตายถ้าจะรุ ก, ก็ต้องตัดสรัรูแล้วนี่คือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเราต้องตั้งสัจจะให้เสียงอธิษฐานว่าชีวิตนี้เราจะอุทิศชีวิตของเราให้กับการสร้างบุญบรารมีต่างๆถ้าเรามีสัจจะแม้ิฐานแล้วเราก็จะ มีวิริยะบาลเมเราก็จะมีความภาคเพียงที่จะทำเพราะว่าถ้าเราตั้งแล้วเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเช่นตั้งหน้าตั้งใจว่าวันนี้จะมาวัดมาทำบุญแต่พอตื่นขึ้ น, นมาก็เกิดความเกียดครางไม่อยากมาถ้าเราไม่มีวิริยะบาลเมราความขยันเราก็จะมาไม่ได้แต่ถ้าเรามีความขยันเราก็จะเอาชนะความขี้เกียจได้ เราก็ยังต้องพยายามสร้างวิริยะวิะริยะบาลมีพยายามต่อสู้กับเี่ยกบความขี้เกียจทุกรูปแบบอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจมาทำลายความตั้งใจที่ดีของเราเพราะผลจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเกิดจากการกระทำไม่ใช่เกิดจากความขี้เกียจเราต้องคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราคิด่างนี้แล้วเราก็จะไม่ขี้เกียจ เราก็จะทําสิ่งที่เราตั้งใจจะทําได้แล้วถ้าเรามีอุปสรรคมีความยากลําบากเราก็ต้องสร้างขันติบารามีขึ้นมาเราต้องอดทนอย่ายากลําบากอย่างไรเราก็จะทันทําต่อไปจะได้มากได้น้อยจะช้าจะเร็วเราจะไม่ยอมหยุดถ้าเรามีขันติความอดทนแล้วเราจะฟันฝา่าอุปสรรคความยากลําบากต่างๆไปได้ จะทำให้เราได้สาเร็จผลที่เราต้องการได้นี่คือบารมีทั้งสิบประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาจนทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตรัสร า, าสามพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นที่พึ่งของพวกเราเป็นศาสดาของพวกเราพระองค์ก็ทรงนำวิธีนี้มาสั่งสอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเราอยากจะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะได้เป็นเหมือนกับพระอรหันตสาวกคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พบแต่ความสุขที่ถาวรได้พบความเจริญที่แท้จริงเราก็ต้องสร้างบุญบารมีต่างๆลบานี้ถ้าเราสร้างแนละ้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับ ก็จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะผลกับเหตุนี้เป็นกฎตายตัวไม่มีใครสามารถที่จะมาลบล้างได้ถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลตามมาจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญบรารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พวกท่านทั้งหลายได้นำาเอาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนเจ้าใจและองคุสมที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันกงนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุาวยันนาสุขภา락โดยทั่วหน้ากันเธอ